ไม่เป็นเสียงเปลิ่นรสโพธภพธรรมารมณทั้งหลายก็นัยยะเดียวกันจากไม่มีแล้วมีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็หมดไปอันนี้เรียกว่าใส่ใจโดยการตัดตอนถ้าตัดตอนได้อย่างนี้ใจจริงเนี่ยนะจิตก็จะเล่นไปในพระนิพพานเล่นไปยังไงเนาะก็เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดนะสูตรเ้าก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ก็ก็มีสูตรที่หลายๆคท่ที่ จะต้องกำหนดจดจำเพื่ออธิบายให้เข้าใจในอัฏฐะเหล่านี้นะอย่างเช่นในคาถาธรรมบทมขวักมขวักสัพเพสังขาราอนิจจติยะาปัญญาะปสติอัฐานิพินติตุเอสมะโควิสุธยาเมื่อใดผู้มีปัญญาเนี่ยเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเขาย่อมเบื่อหน่ายในวัตถุทุกข์มันถ้าการเห็นโดยการเกิดการดับนะมีความเกิดแล้วก็มีการตัดทาลายในที่สุด รอบด้านมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีการแตกทําลายเป็นที่สุดก็จะย่อมเบื่อหน่ายในในสิ่งนั้นนะนะก็บอกว่าใกล้เท่านั้นแหละวังงั้นนะเนีเคยได้ยินไหมใกล้เท่านั้นแหละสมมติอะไรที่มันมีเกิดมีจบใช่ไหมใก็เท่านั้นไม่มีอะไรนะเดี๋ยวก็เท่านั้นอ่ะเดี๋ยวก็หมดแล้วเดี๋ยวก็เท่านั้นอ่ะเดี๋ยวก็หมดแล้วนะเนี่ยพัแสดงว่ามันมีการตัดต่อโดยรอบด้านมันมีความไม่เที่ยงอ่ะนะก็เลยย่อมเบื่อหน่าย ก็จะรู้ว่าเออพวกนี้มันมีที่สุดจริงๆเนี่ยนะมันมีที่สุดเมื่อสิ่งใดมีที่สุดควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายในในสิ่งนั้นเนี่ยนะก็มันมีที่สุดไอแต่ที่สุดเนี่ยถ้าเอาวิชาสติติมาจับเนี่ยนะอย่างที่ว่าไปไอร้องให้มันก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวก็เลิกร้องจากไม่ได้ร้องให้แล้วก็มาร้องให้ร้องให้เสร็จเดี๋ยวก็เลิกร้องมาไกแค่นั้นแหละไอแค่นั้นเนี่ยใช่แต่มันหยุดเท่านั้นไหมแต่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยบ่อยมาก บ่อยอยังไงบ่อยมากตรงที่ว่าน้ําตาแต่ละพบน้ําตาแต่ละชาติร้องให้เนี่ยเดี๋ยวก็ร้องเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็ร้องเสร็จแล้วไอ้เก็บน้ําตาที่ร้องแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติสะสมรวมกันเนี่ยน้ําตาก็มากกว่าน้ําทะเลไอ้ไม่เที่ยงนะนะอย่างเออขศาที่ทั้งหลายที่ตายเอ่อที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีในที่สุดเมื่อตาเอ่อเมื่อเกิดมาแล้วยังไงมันก็ต้องตายแต่ถ้าเอาสิติมาจับ าเกิดตายเกิดตายเกิดตายอย่างนี้เธอเพิ่มพูนปัตตภีที่เป็นป่าช้าเธอเนี่ยไปเสสร้างป่าช้าเนี่ยมากกว่าแผ่นดินที่สุดมันเกิดตายเกิดตายก็จริงแต่เธอเพิ่มป่าช้ามากกว่าแผ่นดินเหมือนเดี๋ยวเสียเลือดเดี๋ยวนักโทษประหารเดี๋ยวตายแล้วก็เสียเลือดตายแล้วก็เสียเลือดอหรือถูกประหารแป๊บเลือดก็พุ่งออกแต่เลือดที่ถูกประหารเนี่ยถ้าเก็บเก็บไว้มากก็มากกว่าน้ํา ทะเลเหมือนเหงือ่อทั้งหลายที่เราไปที่ไหนก็เหงื่อแตกใช่ไหมเก็บน้ําเหงือ่อปริมาณเหงื่อที่เก็บเก็บเก็บเก็บไว้ทุกภพทุกชาติเนี่ยเท่าไหร่ก็มากกว่าน้ําทะเลอีกนะก็แต่ละชาติที่เกิดมาก็ต้องดื่มนมเป็นต้นเนี่ยนะนมที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยก็มากกว่าน้ําทะเลอีกเพราะมันมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความแตกทําลายเป็นที่สุดจริงแต่ถ้าเอาโดยสถิติมาจับแล้วจะรู้ว่ามันน่ากลัวจริงๆ มันจึงควรที่จะเบื่อหน่ายในสิ่งใดไอ้ที่ถูกต้องเป็นอย่างเนี้นะทีนี้มาดูต่อไปคําอธิบายที่สองว่าคําว่าด้วยการทําจิตให้อาถานอาถานนี่คืออะไรปัดเนี่ยเดี๋ยวเปน็นมันก็หายแหละปวดหัวนะั้นไปต้องคิดอะไรมากแล้วปวดเดี๋ยวมันก็หายแล้วไม่ไอ้กว่าจะหายนี่สิมีปวดเป็นเบื้องต้นมีหายเป็นที่สุดแต่ไอ้ระหว่างที่มันปวดอยู่นี่มันทรมานจริงๆ ชั้นใดก็ดีวัตตะที่เดี๋ยวสัตว์ที่เกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็จบแต่ว่าจากเกิดไปหาตายนี่มันเหนื่อยแท่ไหนเหนื่อยแทบตายเหมือนกั น, น, ก น, น, กนอย่างนี้ไหมคับเออไม่ใช่เหนื่อยแทบตายขออภัยพูดผิดเหนื่อยจนตายไอ้ที่ถูกต้องเป็นอย่างเนี้นะที น, นี้มาดูต่อไปคําอธิบายที่สองว่าคําว่าด้วยการทําจิตให้อาถานอาถานนี่คืออะไรอาถานคือสังเวชเนี่ยนะเข้าใจยากยาก คือคําว่าคนที่สังเวชจริงเนี่ยนะคือคนที่สังเวชจริงเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องกล้าขึ้นมาเพราะผู้ที่สังเวทเนี่ยนะสังเวทเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าใช้คําว่าอาถานก็คือมีความเพียรแต่ที่มีความเพียรเนื่องจากสังเวชสังเวทอะไรสังเวทวัตตะเพราะพระโยคีย่อมทําจิตให้สังเวทในสังขารทั้งหลายด้วยการตามเห็นว่าเป็น ทุกเนี่ยในสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันตัดต่อโดยรอบด้านแต่ว่ามันมหาทุกข์เหลือเกินที่อยู่ในนั้นเน่ยนะอย่างกระดูกหักเปะอย่างนั้นเดี๋ยวก็ต่อได้แหละเดี๋ยวก็จากจากไม่หักมาหักมาหักเสร็จหักเสร็จก็ต่อได้แต่ระหว่างกระดูกหักถามมีความสุขไหมนะก็ไม่มีความสุขนะควรแล้วที่จะสังเวชถ้าเรายังมีกระดูกคิดว่ากระดูกส่วนไหนของเราไม่แตกไม่หักบ้างในร่างกายเนี่ยมันก่อนมานื่งนึกถึงปริเฉทรูป คำว่าปริเชษเนี่ยแปลว่ามันตัดได้หมดเลยในร่างกายของเราที่มันถูกตัดไม่ได้เลยมีส่วนไหนบ้างนะถ้ายิ่งเห็นภาพเกี่ยวกับเรื่องภาพอนาโตมีที่เขาตัดให้ดูด้วยนะตัดแบบอะไรตัดแบบขวางตัดแบบผ่าตัดแบบกี่มิติก็ตัดตัดตัดตัดมันพร้อมที่จะตัดตอนได้หมดทุกแห่งเลยในร่างกายอันนี้เช่นอุบัติเหตุถ้าประสบอุบัติเหตุพร้อมที่จะตัดได้กี่ชิ้นดีร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะบดได้เป็นเหมือนเหมือนอะไรเหมือนหมูสับนะ พร้อมที่จะคล้ายๆกับถูกสับถ้าไม่มีประชตอยู่ในนั้นน่นไม่ถูกสับหรอกนะสับยังไงก็สับไม่ขาดแต่เนื่องจากมีประชดทรูปอยู่ในนั้นมันยังถูกตัดถูกสับซะจนขาดแหลกส้วนหมดไอ้ที่ถูกสับเหล่านั้นถามว่ามันดีหรือไม่ดีมันคือกองทุกจริงๆเพราะฉะนั้นจิตก็จะสังเวชสังเวชต้องการเพื่อจะออกจากกองทุกขเหล่านั้นเนี่ยนะทำยังไงที่จะออกจากตัวทุกเหล่านี้ได้ฉะนั้นจิตก็จะแล่นไปในอัปปนิหิธาต คือถ้าถ้าหากว่าจิตสังเวทในในกองทุกที่มีอยู่เนี่ยจิตจะแล่นออกเลยบอกไม่เอาแล้วเนี่ยนะในที่สามบอกว่าคำว่าด้วยการเห็นเนืองๆโดยชอบว่าเป็นฝ่ายอื่นฝ่ายอื่นเออไอสิ่งที่ไม่เที่ยงตัดต่อโดยรอบด้านแล้วก็หน่าสลดสังเวชเนี่ยมันของใครกันแน่ก็ไม่มีอำนาจอะไรเราจะเรียกว่าของเราได้ยังไงใช่ไหมเอานะอะไรนะเหมือนกับว่า ยกสิ่งนี้ให้คุณแต่อีกคนหนึ่งเป็นคนสั่งให้ดูแลอย่างเงี้ยนะดีไหมอ่นนานะสิ่งนี้อายกให้เป็นของคุณเลยแต่ว่าทุกเรื่องนะต้องปรึกษาทางโน้นให้หมดอ่นะแล้วแต่ทางโน้นเขาจะสั่งมาแต่ของสิ่งนี้เป็นของคุณอย่างเงี้ยเอาไหมดีไหมไม่ไหวแล้วนะโก้โหจะว่าของเราได้ยังไงเราหลอกเอาดิว่าเป็นของเราเหมือนกับว่าเขาหลอกให้เราอะไรนะเขาหลอกให้เราดูแลรถให้บอกเออรถนี้รถของคุณหนึ่งคุณต้องเช็ดตื่นเช้ามาคุณต้องเช็ดเวลาเท่านี้นะ สองคุณต้องทําอย่างนี้คุณต้องดูแลอย่างนี้อย่างนี้ห้ามเะห้ามห้ามเกี่ยงห้ามห้ามทุกอย่างเลยนะแต่ว่ารถของคุณแต่คุณต้องดูแลอย่างนี้คุณต้องถึงเวลาคุณต้องเอาไปให้คนนั้นใช้ต้องอะไรแต่ว่าแต่รถนี้ของคุณเนี่ยแต่ว่ามีข้อแม้อย่างนี้สนใจไหมคุณต้องมาดูแลนะคุณต้องมานอนเฝ้าต้องอย่างเงี้ยนะโอ้ไม่เอาแล้วนะนี่ก็เหมือนการขันธาตุอายตนะนะอย่างให้ร่างกายของเรานะบอกอุ้ยเราก็มาเข้าใจผิดว่าเป็นของเราบอกว่าคุณต้องให้อาหารวันละสามมื้อนะ สั่งมาเลยนะให้อาหารวันละสามมือคุณต้องดูแลถ้าเขาป่วยคุณต้องหายาให้เขากินสินะ น, นีคุณต้องทํางานนะคุณต้องเหนื่อยนะคุณต้องเดินพาอุยสุกแล้วเราก็บอกกายนี้เป็นของเราแต่ว่าเราถูกใช้งานสารพัดเลยนะคุณต้องปื่บแปรงฟันนะคุณต้องทําอย่างนั้นต้องหนึ่งสองสามสี่กติกาชีวิตเต็มไปหมดเลยมาพูดแบบสมัยใหม่นะบอกกายนี้เป็นของเราใช่ไหมถ้าเกิดมาสมัยใหม่นะมันเรียนหนังสือจนถึง30สิปีเนี่ยเรียนจนผมหมอกอย่างนั้นเล เกิดมาสมัยเรียนจนหัวโตนะกว่าจะได้ทำงานเนี่ยร่วมาอายุสามสิบปีถ้าเกิดมาแต่ตามขั้นตอนนะเริ่มเรียนตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะเขาเกิดมาปั๊บเนี่ยพ่อแม่ถ้ามีปัญญาหน่อยนะปัญญาแบบสมัยใหม่นะเขาจะสออ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ลูกอยู่ในท้องอ่านอ่านนิทานอ่านอะไรก็ได้ให้ลูกฟังก็อยู่ในท้อง คลอดออกมาป้าเริ่มสอนหนึ่งสอนสองสอ น, ส, อ น, ส, อ น, ส, อนสามะโต้มาหน่อยเอาเข้าโรงเรียนอนุบาลเรียนเรียนเรียเ ร, ยเรยีถ้าเรียนจนจบสักหลักสูตรของเขาปริญญาเอกเนี่ยอายุประมาณโดยเฉลี่ยเท่าไหร่ก็ร่วมสามสิบปีเนี่ยเรียนจนผมหงอกหมนแหละนะครับยี่สิบต้ น, ต, นต้นนี้ก็หงอกแล้วนะยี่สิบปลายปลายก็หงอกเยอะแล้วเสร็จแล้วทํางานยังไม่ต่อหลายตายแล้วนะก็บอกเออเนี่ยร่างกายของเราแต่คุณเนี่ยอยู่ที่สังคมจะชี้ให้คุณทําอะไร คุณต้องไปเรียนอย่างนั้นอย่างนั้นคุณต้องไปคิดเรื่องนี้คุณต้องโกรธคุณต้องโลภคุณต้องอะไรเงี้ยนะก็ถูกเสี้ยมสอนแต่บอกว่าของเราเนี่ยนะมันของเราจริงหรือเปล่าเนี่ยนะก็เป็นของอะไรกันนี่ไม่รู้มันของใครจริงๆอ่ะนะแต่ว่าเรานี่มากล่าวตูว่าขันห้าเป็นของเราอุอยโงูชัดชเลยนะหลอกว่าขันห้าเป็นของเราจริงๆริงแล้วมันไม่ใช่เลยนะบอกว่าใจของเราแต่สิอารมณ์ของคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วเจตสิกอมันของเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะ ตาแล้วมันตาของเราจริงหรือมันต้องคอยให้อาหารหยอดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะถ้าอาหารขาดเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มีปัญหานี่เป็นความโง่เขลาของปุถุชนจริงๆว่าขันห้าจริงๆแล้วมันอยู่ฝ่ายอื่นมันไม่ใช่ฝ่ายของตัวอะไรหรอกไม่เชื่อนะลองกโกรธ ด, ดูสิแล้วบอกอย่าใจเอ้ยเธ อ, อย่ากโกรธนะพอแล้วเธอโกรธมามากแล้วเธอต้องทําใจให้สบายสิเธอเป็นนาอกหนักใจทําไมมันเชื่อไหม ไม่เชื่อนะเอ๊ะน่าจะคุยกันรู้เรื่องเอาหัวใจของเราไม่ใช่เหรอใจใครก็ใจใครใจเราก็ใจเราน่าจะคุยกันรู้เรื่องได้ได้เวลาแล้วนี่ก็เดึกมากแล้วได้เวลาพักผ่อนแล้วเธอจะคิดเรื่องนี้ไปทําไมเธอนอนได้แล้วนะเชื่อไหมไม่ยอมหลับอนะดูแม่หลานจะหลับข่มยังไงก็ข่มไม่หลับเลยนะเ อ, อก็อกายเนี่ยฉันเลี้ยงดูเธอมาหกเจ็ดสิบปีแล้วนะเธอยาปวดสิหัวอัอนนะั้น พยายามเมื่อยนะเธอต้องไม่เมื่อยสิก็ดูแลเธอเตั้งอย่างดีแล้วเนี่ยให้อาหารก็ให้ตามไปแล้วคุยกันรู้เรื่องไหมอะ่ะแล้วทำไมบอกว่าของเราอ่ะอุยของใครเป็นของใครนะเพราะมันก็เป็นฝ่ายอื่นจริงๆเนี่ยนะเพราะเห็นว่าเป็นฝ่ายอื่นด้วยการตามเห็นเนืองๆว่าเป็นอนัตตายอย่างนี้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนนะถ้าเป็นของเราจริงอะนะบอกโอ้ยอย่าปวดเลยหัว อย่าคิดมากสิอย่าเครียดสิทำไมเธอไม่มีเมตตาล่ะเธอก็มีสมถะมีวิปัสสนาสิเธอต้องเห็นวันนี้ทุกคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะมีแต่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามหมดเลยตรงกันข้ามจากคำสอนพระพุทธเจ้าหมดเลยเนี่ยนะใน ล, ลักษณะนั้นแหละเป็นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆมหาภาระแล้วก็ควบคุมอะไรไม่ได้สากอย่างสรุปสรุปว่าทั้งสามบทเหล่านี้บทว่าอะไรบทว่าอนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะ ที่กล่าวมานี้พึงทราบว่ากล่าวไว้โดยเกี่ยวกับอนุปัสนาสามอย่างมีอนิจจานุปัสนาถ้าอนิจจานุปัสนาก็เห็นว่าตัดตอนโดยรอบด้านถ้าทุกขานุปัสนาก็ทำให้จิตเนียสลดสังเวชในวัตตะถ้าเห็นอนัตตานุปัสนาก็เห็นว่าฝ่ายอื่นฝ่ายอื่นฝ่ายอื่ น, นดูก่อนท่านผู้ดูแลผู้อื่นอยู่ดูแลผู้อื่นอยู่หรือเปล่านะพีเ ก, ก็ยืมตาผู้อื่นมาอ่านหนังสือใช่ไหม ยืมหูผู้อื่นมาฟังทำเอาหูหูตกลงหูของใครฝ่ายอื่นเนี่ยนะฝ่ายอื่นแต่ก็ไม่มีใครมีอำนาจมาสั่งอย่างแท้จริงอีกนะสะรุปว่าอยู่ฝ่ายอื่นแต่ไม่ได้บอกว่าของใครสรุปว่าอยู่ฝ่ายอื่นหมดเลยแต่ถ้ามีเจ้าของจริงมันก็ดีอ่ะสิเนื่องอย่างมันไม่มีเจ้าของจริงใช่ไหมเมื่อมันไม่มีเจ้าของจริงแต่ว่าอยู่ในฐานะฝ่ายเอื่นอ่ะ น, ะพนะพวกอื่นแล้วพวกอื่นไปอื่นประเภทไหน อื่นประเภทไม่ได้หวังดีเนี่เนี่ยอื่นประเภทกลุ่มฝ่ายอื่นที่ไม่ได้หวังดีถ้าอื่นในประเภทผู้มีวผู้หวังดีก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะหวังดีแต่ประสงค์ร้ายอื่นแบบนั้นแหละใช่แล้วแล้วก็ทีนี้ถ้าเห็นว่าตัดตอนโดยรอบด้านจิตก็เลาะเล่นไปในพระนิพพานที่เรียกว่าอนิมิตตธาตุถ้าหากว่าโดยทําให้ราดเริงสังเวชใจก็จิตเล่นไปในที่ที่ที่จบความปรารถนา อัปนิหิตะก็คือเลิกปรารถนาสัทีเลิกปรารถนาสัทีคะวัตตะเนี่ยนะ ก, ก็คนเราเนี่ยบางคีก็คิดนะก็ ม, มีแม่คนหนึ่งก่อนจะตายเ้าก็จับมือลูกมาพูดบอกลูกเอ้ยขอเป็นแม่ของเธออีกชาติหน้านะว่างั้นลูกนี่ตัวสั่นเลยกลัมากบอกแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแม่อย่างเงีนยบางคนก็ว่างั้นเลเอาไหม ก่อนไม่แม่จะตายลูกก็บอกจับมือแม่อย่าแม่ชาติหน้าหนูขอเป็นลูกอีกนะ้เนี่ยสนใจไหม <c oughs> ผูกพันกันมากไงรักกันมากย่งเงนะแต่ว่าแต่โยมันโยมก็เล่าให้ฟังนะของมา ย, ยังชอบบอกว่าโอ้ยแม่เนี่ยรักหนูมากรักจริงๆเะแต่เจอกันชาตินี้ก็พอล้ว <c oughs> แค่นี้ก็เกินพอและเพียงพอล้วอย่าง้ยโยมคนหนึงก็บอกไม่ได้ไม่ได้ผมยังต้องเจอกันอีกหลายชาติเหมือนกันนะอ่ ติดข้องกันจริงๆอะนะมีแต่ความปรารถนาจริงๆขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาเมื่อไหร่จะเลิกปรารถนาจะอะไรเนาะจะเป็นอารมณ์ที่ตั้งแห่งความไม่ปรารถนาคือพระนิพพานพระนิพนพานนี่เป็นอารมณ์แห่งการไร้ความปรารถนาวัตตะเนี่ยนะจะบอกจะสิ้นความปรารถนาสักทีหนึง่งแต่ถ้าจิตใส่ใจว่าเป็นฝ่ายอื่นจริงๆก็จะเจริญสุญญ า, านุปัสนาเนี่ยนะฝ่ายอื่น อันที่จริงเนี่ยของเราทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในขันท่านะจริงๆเราเนี่ยถูกเขาไล่ออกจนไม่รู้จะไล่ออกยังไงแต่ว่าอ้อนวอนขอสมัครตัวอยู่นั่นแหละขอจะให้รับใช้เป็นอะไรก็ได้ขอให้ได้อยู่ในวัตตาเธอนะนะอย่าไล่ผมออกเลยขอให้ผมได้อยู่ในวัตตะเธออย่างไงนะจริงๆทั้งๆ ท, ท, ที่ขันท่าเขาพยายามจะบีบเขาพยายามจะสอนให เบื่อหน่ายจริงๆเลถ้าดูโลกตามความเป็นจริงเนี่ยมันน่าเบื่อหน่ายมากๆเลยแต่ว่าแหมพยายามจะขอสมัครตัวเสนอตัวบอกยั้งยั้งจะขอขออยู่ที่นี่แหละว่าจะถูกดา่าถูกเกลี้ยงถูกอะไรก็ยอมๆๆยอมยอมยอมยอมที่จะเฝ้าวะตะต่อไปเนี่ยนะของเราเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าอดทนไหมอดทนหรือเขา่าเข่านะโอ้ยดูก่อนท่านพูดน่าสงสารทั้งหลาย เมื่อคืนนายยังคิดคเอ๊ะเขาจะรู้ตัวกันบ้างหรือเปล่าเนาะว่าเขาเนี่มันน่าสงสารปางใดเนี่ยนะรู้ตัวบ้างหรือเปล่าเนาะว่าตัวเองนี่มันน่าสงสารขนาดไหนเนี่ยนะถ้ารู้ตัวว่าตัวเองน่าสงสารเนี่ยนะดีไหมดีเพราะว่าถ้ารู้ว่าตัวเองน่าสงสารจะเข้าใจพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านสงสารเราจริงๆว่าทำเช่ไหนเนาะสัตว์ทั้งหลายจะได้พ้นทุกข์แต่ถ้าเราไม่สงสารตัวเองเนี่ยนะ นึกว่าตัวเองนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆอะนะคือคือปกติธรรมดาเป็นไงแกเป็นธรรมดาป่วยเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดามีกรรมเป็นของของตนเป็นต้นเป็นธรรมดาแต่ไม่ค่อยยอมรับธรรมดาแบบนี้คิดหรือว่าจะเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ยอมไม่ยอมเห็นไหมถือว่าอะไรนะเคยเคยเห็นเด็กที่เรียกว่าพ่อแม่เลี้ยงดูอย่างดีแล้วเวลาแม่ป้อนอาหารก็อ่านะป้อนอาหารไตาปากเต็มท้นออเฉยเย ช่วยจับมือปั๊บมันสะบัดมือทิ้งเลยนะแหมยังก็เก่งเหลือเกินเนี่ยนะปล่อยให้เดินคนเดียวไปเลยนะนะเขามีเขามีมีโยมคนหนึ่งเขามีลูกลูกเขาเนี่ยลูกชายลูกคนแรกด้วยอุ้ยเอาหัใจป้อนข้าวทีนะครับแปดโมงยังสิบเอ็ดมยังไม่เลิกเลยให้คําไปคำหนึ่งปั๊บมันอยากมันอยากอมไว้มันก็อมไปบีบบางคำมันเคี้ยวยังไงเอ้าอมเคี้ยวเสร็จนะนะมันก็ไม่ยอมกลื่นแตมันก็คาทิ้งไว้อย่างนั้นนะพังว่างก็คายทิ้งบ้างแม่ก็กลัวลูกตายก็ป้อนคําใหม่เข้าไป โน่นแหละแปดโมงถึงเที่ยงกว่าจะกินข้า ว, ชาวเช้าเสร็จให้กินอะไรมันก็ไม่ยอมกินเนี่ยนะมันไม่ยอมกินบอกว่ามันเดินดีๆมันก็สะบัดมือทิ้งแหมถ้าคิดไปอีกนายหนึ่งนะถ้าไม่ใช่ลูกเราแล้วปล่อยมันไปเลยนะแต่ก็ลูกเราทําใจอย่างนั้นไม่ได้นะเราเลี้ยงดูเป็นปีๆเนี่ยนะเขบอกนี่ขนาดตัวจิตเดียวนะขวบสองขวบเท่านั้นนะมันยังพิษขนาดนี้นะถ้าสักสิบห้าขวบไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะ ยี่สบสาสิบขวบไปแล้วเนี่ยพ่อแม่ไม่นั่งเช็ดน้ําตาทุกวันหรือนี่ยนี่แหละคือก็ปกติแล้วอ่ ะ, อะสัตว์ทั้งหลายที่ที่ติดข้องในวัฏตะเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆคือคือสําคัญตัวเองเหลือเกินแต่ทั้งทั้งที่รู้ว่าตัวเองจริงๆแล้วช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลยจริงเราช่วยเหลือตัวเองอะไรได้จริงๆช่วยตรงไหนได้บ้างเออในร่างกายสรีระอาการสามสิบสองหรือจิตของเราเนี่ยช่วยตรงไหนเจอเองได้จริงๆอย่างที่เก่งกล้าสา ม, มารถ ทั้งๆที่ไม่ได้อะไรเลยแต่ขนาดนั้นไอ้ตันหามานะนี่มันก็ถือดีเขาถือว่ามีดีเชื่อแล้วว่ามีดีจริงๆว่าดีมีสองอย่างดีในฝักก็ดีนอกฝักก็ดีนอกฝักมันก็พัดทั่วสารพรางกายเนี่ยนะก็มีดีจริงๆแล้วก็มีดีคนละฝักฮะมีน้ําดีไงอดีประเภทนั้นดีขมขมแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าไอ้ดีตรงไหนจริงๆอ่ะนะถ้าดีจริงเนี่ยตัดผมเอาไปขายดูสิเขาซื้อไหมตัดฟันเอาไปขาย ถอนฟันไปขายลอกผิวหนังเอาไปขายเนี่ยนะทำได้ไหมไม่ได้อไรอยโรคเนี่ยนะเชื่อสรุปว่าขันห้าพวกนี้เนี่ยนะมันถือว่าเป็นฝ่ายอื่น น, นะนะจากข้อความที่บอกว่า หน้าสองร้ยห้าสิบเก้าบรรทัดสุดท้ายบอกเมื่อพระโยคีมานสิการว่าไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายย่อมปรากฏว่าสิ้นไปขยับเถนะสิ้นไปมีแต่สิ้นไปเสื่อมไปเมื่อมานสิการว่าเป็นทุกสังขารทั้งหลายปรากฏว่ามหาภัยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวถ้ามานสิการว่าเป็นอนัตตาก็สําคัญว่าเป็นของศูนย์ศูนย์ศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะว่าถ้าอนิจจ์เนี่ยสิ้นไปมันสิ้นยังไง อย่างนี้ไงบอกจงอย่าสิ้นเลยทําได้ไหมขอจงคงจงทนจงอย่าสิ้นอย่าเสื่อมขอให้ดํารงคงมั่นอยู่ชั่วกาลปาวาสารอะไรนี่ทําได้ไหมไ ม, ไม่ได้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าตรงข้ามที่มันคงทนนั่นแหละเรียกว่าสิ้นไปขอจงคงเดิมคงที่คงตัวอย่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยอย่างนี้นะไม่ได้นั่นแหละจึงเรียกว่าสิ้นไปเพราะคงอยู่ใน สภาพเดิมไม่ได้เลยก็ต้องสิ้นไปถ้าบอกว่ามนุิการโดยความเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายก็เป็นมหาภัยภัยนี่แปลโดยศัพท์ว่าน่ากลัวเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความน่ากลัวทําไมจึงน่ากลัวชาติเนี่ยน่ากลัวจริงน่ากลัวตั้งแต่เริ่มเกิดเลยนะเจริญเติบโตออกมาก็น่ากลัวการดํารงชีวิตอยู่ด้วยความ แก่ความป่วยและความตายก็น่ากลัวจากเกิดไปหาตายเนี่ยน้ำตาก็เช็ดหัวเก่าไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วนะชีวิตนี้มันมีอยู่สองอย่างนะร้องให้ก็ดีใจเดี๋ยวก็ดีใจแต่ว่าโดยมากอยู่บนคราบน้ำตามากกว่าความโสมนัสเนี่ยนะเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความเดือดร้อนเต็มไปด้วยความลำบากจริงๆกันเลยเรียกว่าความน่ากลัว ความน่ากลัวเนี่ยนะถ้าถ้าเราพูดแบบคิดแบบสุดจริตใจเลยนะถ้าเราไปเป็นแบบคนนั้นเอาไห้ใช <Th> ้ชีวิตทั้งยิ่งตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะไปเป็นแบบคนนั้นตั้งแต่เกิดจนตายลองไปใช้ชีวิตแบบทุกชีวิตในโลกนี้ที่มีอยู่บรรดาประชาที่มีอยู่ในโลกห้าหกพันล้านนะถ้าเราต้องไปรับบทของทุกคนหมดเลยทุกชาติทุกชาติทุกชาติน่าสนใจไหมเห็นไหมรับบทเป็นกรรมกรมั่งอไงเง็นไหมรับบทเป็นคนพิการบั่งการสองเท้าบ้าง พิการแขนบั่งพิการทางสติปัญญาบ้างต้องไปอยู่ในทุกสภาพทุกสภาพทุกสภาพเนี่ยนะน่าพอใจไหมไม่น่าพอใจเลยอย่างชีวิตของบางคนเราบอกโอ๊ยคนนี้ดีจริงๆเลยนะดีตอนไหนตอนที่แบบเป็นประธานในงานนะะดูดีตอนนั้นนะ่ะเบื้องต้นจะกว่าจะเป็นวันนั้นแล้วก็หลังจากตรงนั้นไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นน่าสนใจไหมไม่น่าสนใจไม่น่าพอใจอนยะ่างนั้นแต่ว่าเชื่อไหมอย่างที่กล่าวบ่อยๆว่าสิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่เราจะเป็นต่อๆไป ไปเห็นสัตว์ในอาบายอย่าคิดว่าเราพ้นนะถ้าเรายังไม่ไม่เห็นอริยสัตว์ถ้าไปเห็นพวกเดราชานทั้งหลายอย่าไปคิดว่าเราพ้นแล้วทําเป็นสนุ ก, กันะไปเห็นนกพิราบมันบินก็นึกว่าเรานี่แหมเจ๋งเหลือเกินที่ไหนได้พ้นหรือยังเอาอะไรมาเป็นบอกว่าประกันว่าแกพ้นจากเป็นนกพิราบเลยนะเอาประกันว่าพ้นจากเป็นปลาปลาปลาสวายพ้นหรือยังว่าจะพ้นจากปลาดุกปลาหมอปลาทั้งหลายสารพัดปลาเนี่ยนะ พ้นหรื อ, อยังที่เป็นขอทานพ้นหรื อ, อยังที่จะเป็นนักโทษพ้นหรื อ, อยังพ้นจากคนป่วยพ้นหรื อ, อยังจากความตายเนี่ยนะพ้นหรือยังจากความตายพ้นหรือยังที่การเกิดจากวัฏตักทั้งหลายเอาอะไรเป็นนิมิตเครื่องหมายรับรองว่าฉันพ้นแล้วเนี่ยนะมันก็เห็นว่าโอ้มันน่า ก, กลัวจริงน่า ก, กลัวก็กลัวจนลุกลี้ลุกลนนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือน ปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นว่าสังขารน่ากลัวแต่ไม่ได้แปลว่ามีโทสะเนี่ยนะไม่ได้มีโทสะอะไรถ้ามานุษย์การว่าเป็นอนัตตาที่บอกว่าศูนย์ศูนย์ยังไงศูนย์ศูนย์ตัวนี้แปลภาษาไทยว่าว่างเช่นหม้อว่างหม้อว่างแปลว่าอะไรไปเอาข้าวมาสิบอกหม้อมันว่างแล้วมีข้าวอยู่ในหม้อเลยนะเก้าอี้นี้ว่างไหมว่างแต่ว่าไม่มีคนนั่งรถว่างไหม แล้ว่าไม่มีคนใช้เป็นต้นเนี่ยนะชั้นใดก็ดีสังขารทั้งหลายมีอยู่ขันห้ามีอยู่แต่ว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเพราะไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งอยู่ในขันห้าอย่างแท้จริงศูนย์จากความเที่ยงนี่สิแหมมันน่าศูนย์จากความสุขที่แท้จริงศูนย์จากอัตตาศูนย์จากเราศูนย์จากเขาศูนย์จากทุกชนิดที่บรรามี ไม่ศูนย์ก็แต่จากความเที่ยงไม่ศูนย์จากความเที่ยงไม่ศูนย์จากความทุกไม่ศูนย์จากความเป็นอนัตตานี้ใช่เลยใช่ไหเพราะตัวเขาเองคือตัวนิจังทุกขังและอนัตตาเนี่ยนะไม่ศูนย์จากแก่เป็นปกติตายเป็นปกติแสดงว่าเป็นสิ่งที่มีความแก่และความตายเป็นปกติอันนี้ไม่ศูนย์นะอันนี้อยู่คงอยู่โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตามีความแก่และความตายเป็นธรรมดา ก็วิโมกซึ่งเป็นอนุปัสนาเหล่านี้เนี่ยนะเป็นมุข ค, คือแนวทางเป็นปากทางเป็นประตูอย่างไรได้แก่วิโมก3เหล่านี้คืออนิมิตตวิโมกอัปนิหิตาวิโมกและสุญญาวิโมกดังที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ในปฏิสัมพิทาว่าพระโยคีผู้มนัสิการว่าไม่เที่ยงมากไปด้วยอทิโมก ok. ย่อมได้อนิมิตตาวิโมกถ้าใส่ใจด้วยความไม่เที่ยงมากๆนะศรัท ธ, ธาจะมีกําลังถ้าศรัท ธ, ธามีกําลังก็จะได้อริยมรรคที่เรียกว่า หลุดพ้นด้วยอนิมิตะหรืออนุปัสนาที่เป็นอนิปัสนาที่เป็นอนิมิตะวิโมกพระโย ค, คีผู้มานสิการว่าเป็นทุกข์เป็นผู้มากด้วยปัสสัตที่ย่อมได้อัปะนิหิตะวิโมกปัสสัที่คือสมาธิเนี่ยนะพระโย ค, คีผู้มานสิการว่าเป็นอนัตตาเป็นผู้มากด้วยเวทคือปัญญาย่อมได้ซึ่งสุญญาวิโมกถ้าใส่ใจโดยอนิจจังจะได้อะไรอธิมโมกบรรลุ อ, อนิมิตาวิโมก ถ้าใสา่ใจว่าเป็นทุกขังได้ปัตสัตทิบรรลุอันป็นนิหิตาวิโมกถ้าใสา่ใจว่าเป็นอนัตตา ม, มากด้วยเวทได้เลยสุญเตาวิโมกวิโมกนี่บางทีก็เป็นชื่อของอริยมรรณะนะตรงนี้ท่านบอกว่าวิโมกสามคำว่านิมิตาวิโมกได้แก่ อ, อริยมรรณที่กระทําพระนิพพานให้เป็นอารมณ์หรืออีกในหนึ่งอคิดแบบง่ายๆก็คือว่าถ้าใสา่ใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงมากๆสัตทินรียจะมีกําลัง ถ้าสัพินสีที่มีกําลังเป็นปัจจัยแก่อริยมรรคเรียกว่าอน ok ิมิตตาวิโมกออนิมิตตาวิโมกนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคที่มีนิพพานเป็นอารมณ์โดยที่ไม่มีนิมิตไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนิมิตอะไรเลยจริงอยู่อริยมรรคนั้นชื่อว่าอนิมิตเพราะความที่เกิดขึ้นในธาตุอันหานิมิตไม่ได้สังขานิพพานนี่มีนิมิตคือรูปไหมนิมิตคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ไหมไม่มี และชื่อว่าวิโมกเพราะความที่หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายอริยมรรคก็พ้นจากกิเลสโดยนัยเดียวกันเนี่ยนะอริยมรรคที่กระทาพระนิพพานให้เป็นอารมณ์โดยอาการที่หาราคะตั้งความปรารถนาไม่ได้ชื่อว่าอปปนิหิตะอริยมรรคที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยคืออย่างนี้เจริญทุกขานุปัสนามาเป็นอย่างดี มากด้วยสมาธิสีแล้วก็สมาธิอันนั้นเป็นอุปนิสัยให้แก่อารยมักอริยมักอันนั้นอ่ะไม่ปรารถนาสังขารมีนิพพานที่หาไม่เป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาวัตตะอีกต่อไปอารยมักที่เป็นไปกระทําพระนิพพานให้เป็นอารมณ์โดยอาการว่างเปล่าพึงชื่อว่าทราบว่าสุญญตะนะอริยมักชื่อว่าสุญญตะพิโมก อันน <pulling treatment, |ja|> <air> ี <ương> born, ้พูดตามปฏิสัมพิธามมักนะปฏิสัมพิธามมักคิดง่ายๆว่าอันนีจานุปัสนาใครก็ตามที่เจริญอันนีจานุปัสนาก็มากด้วยสัตทินซีอ่านะก็เป็นอุปนิสัยให้บรรลุอริยมรรคที่เรียกว่าอนิมิตตวิโมกนิพานชื่อว่าอนิมิตตนิพานถ้าเจริญทุกขานุปัสนาจะมากด้วยสมาทินซอริยมรรคที่เกิดขึ้นอ่านะก็เรียกว่าอัปปนิหิตะวิโมกบรรลุนิพานเรียกว่าอัปปนิหิตานิพาน ถ้าเจริญอนัตตานุปัสสนาจะมากด้วยปัญญาปัญญาปัญญินทรีเนี่ยนะอริยมรรคนั้นชื่อว่าสุญญตาวิโมกนิพา น, นนั้นเรียกว่าสุญเตานิพานนิพานที่เคยได้ยินนะสามอย่างว่าอันนี้มิตตานิพานอปะนิฮิต า, านิพานและสุญเตานิพานอันนี้พูดแบบนัยยะอ้อมออมอ่ะนะมาพูดแบบอภิธรรมเลยอภิธรรมอภิธรรมปีดกวิพังเลยนะเป็นการพูดแบบตรงตรง ขออภัยไม่ใช่วิพังนะธรรมสังคีนีว่าส่วนในพระพิธรรมธรรมสังคีนีเนี่ยนะตรัตวิโมกไว้สองอย่างเท่านั้นอย่างนี้ว่าสมัยใดพระโยาคาวาจรเจริญโลกุตระชาญอันเป็นนิยานิกะอันนำออกจากโลกอัปจยะคามีไม่เป็นไปเพื่อสังสมวะตะเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพื่อบรรลุปฐมภูมิคือโสดาปติมักเนี่ยนะสงัดจากกามทั้งหลายนั้นสงัดจากราม มีจิตแน่วแน่เข้าถึงผทมชาญอันเป็นอัปปนิหิตะและนี้เป็นอัปปนิหิตะอย่างหนึ่งเป็นสุญญตะอยู่ดังนี้อันนี้ตรัสวิโมกไว้แค่สองคืออัปปนิหิตะคือไม่เป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาสุญญตะก็คือความว่างนั่นนะวิโมกสงังวิโมกสองอย่างนั้นตรัสไว้โดยนิปรยายคือเป็นการพูดแบบตรงๆเพราะเอาเหตุมาคือวิปัสนานนะพูดแบบตรงๆงเลยนะพูดแบบแบบ เหตุเหตุที่มาพราะเหตุที่มาที่ทำให้บรรลุก็คือทุกขานุปัสสนากับอนัตตานุปัสสนาก็ในปฏิสัมพิธามักท่านกล่าววิปัสสนาว่าเป็นสุญญตาวิโมกโดยเกี่ยวกับความปล่อยความยึดมั่นปล่อยความยึดมั่นนะนะปล่อยความยึดถืออย่างนี้ว่าอันนอันนีจานุปัสสนาย่อมปลดปล่อยความยึดมั่นว่าเที่ยงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสุญญตาวิโมกพ้นเหมือนกันนะ อันนีจานุปัสสนาพ้นจากความยึดถือว่าเที่ยงทุกขานุปัสสนาปล่อยความยึดมั่นว่าเป็นสุขเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสุญญตาวิโมกอนาตานุปัสสนาย่อมปลดปล่อยความยึดมั่นว่าเป็นอัตตาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสุญญตาวิโมกอันนี้อันนี้ก็เป็นข้อความในปฏิสัมพิธาอีกที่หนึ่งปฏิสัมพิทาเหมือนกันว่าอนิมิตตาวิโมกโดยเกี่ยวกับความปล่อยนิมิตปลดปล่อยนิมิตอย่างนี้ว่า อ น, นิจจานุปัสสนาย่อมปลดปล่อยนิมิตว่าเที่ยงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนิมิตตวิโมกทุกขานุปัสสนาย่อมปลดปล่อยนิมิตว่าเป็นสุขเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนิมิตตวิโมกอนาตานุปัสสนาญาณย่อมปลดปล่อยนิมิตว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอนิมิตตาวิโมกหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากนิมิตว่าเที่ยงหลุดพ้นจากนิมิตว่าเป็นสุขหลุดพ้นจากนิมิตว่าเป็นอัตตาเพราะอารมณ์เหล่านั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสําคัญว่าเที่ยงสุขและออัตาะไร แต่อีกในหนึ่งบอกว่าอภปนิหิตาวิโมกโดยเกี่ยวกับเป็นการปลดปล่อยปณิที่อย่างนี้ปณิที่แปลว่าอะไรอัตตะซัมมาปณิที่นะก็ตั้งความปรารถนาตั้งตนไว้ชอบอันนี้ก็เหมือนกับปณิที่ในที่นี้หมายถึงตันหาปณิที่นะปรารถนาด้วยตันหาว่าอา น, นิจจานุปัสสนาญาญย่อมปลดปล่อยปณิที่ว่าเที่ยงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอัปนิหิตาวิโมกทุกขานุปัสสนาย่อมปลดปล่อยปณิที่ว่าเป็นสุข คือตั้งปรารถนาว่าเที่ยงตั้งความปรารถนาว่าเป็นสุขจึงชื่อว่าอปนิหิตาวิโมกอนาตานุปัสนาญาณย่อมปลดปล่อยปณิทีคือตั้งตั้งเอาไว้ว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอปนิหิตาวิโมกเพราะฉะนั้นปล่อยปล่อยการตั้งว่าสังขารเป็นของเที่ยงสังขารเป็นสุขสังขารว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอปนิหิตาวิโมกเลิกตั้งเลิกตั้งเอาไว้สักทีไม่ตั้งเอาไว้ว่าเที่ยงว่าสุขว่าอัตตาอีกต่อไปตอนแรกอะไรนะ ปล่อยความยึดถือว่าเที่ยงปล่อยความยึดถือว่าเป็นสุขปล่อยความยึดถือว่าเป็นอัตตาปล่อยนิมิตว่าเที่ยงสุขและอัตตาปล่อยความตั้งเอาไว้ว่าเที่ยงสุขและอัตตาสรุปว่าเป็นการปล่อยเพ้นอะไรนะข้อปฏิบัต er ิที่ชอบทำในในพุทธศาสนาคือข้อปฏิบัติที่จนไปตั้งไว้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเนี่ยนะ พัน้าอันนี้จังอนทุกขังอนัตตาที่ถูกต้องนั้นจึงเป็นเหตุเป็นตัดใ จ, จเป็นอุปนิสัยให้บรรลุอริยมรรคเนี่ยนะทีนี้โดยสรุปโดยสรุปที่ที่ท่านยกมาจากปฏิสัมพิธาบอกว่าถึงอย่างนั้นวิปัสสนาญาณนั้นก็ชื่อว่าอนิมิตะโดยตรงไม่แปลว่าไม่ได้เป็นอนิมิตะโดยตรงเพราะอะไรวิปัสสนานะไม่ใช่อนิมิตะโดยตรงอนิมิตะโดยศัพท์นี่ต้องหมายถึงนิพพาน นะโดยคำนะสิ่งที่ไม่มีนิมิตคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสิ่งที่ไม่ใช่นิมิตเลยต้องเป็นนิพพานอย่างเดียวแต่ทีนี้ทําไมาวิปัสสนาจึงเรียกว่าอนิมิตตาละ่ะเพราะไม่มีนิมิตว่าเที่ยงแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีสังขารเป็นอารมณ์อยู่เพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อโดยอ้อมโดยอ้อมโดยโดยปริยายไม่ใช่นิปริยายโดยนิปริยายไม่จะเอาก็หาไม่แปลว่าอะไร โอ้โหสุสาเสนอของขายให้จะเอาก็หาไม่แปลว่าไม่ได้เอาเนี่ยเนพวกนี้ก็มันบอกว่านิปริยายก็ไม่โดยนิปริยายก็ไม่แปลว่าไม่ใช่แบบตรงๆแบบอ้อมแต่ชื่อว่าสุญญาตและอภปนิหิตะโดยนิปริยายทีเดียวสุญญาตก็คือว่างจากความเที่ยงเป็นต้นอันนี้ตรงๆงเลยอภปนิหิตะก็คือไม่เป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาว่าเที่ยงอันนี้ถูกต้องแล้ว ก็พระผู้มีพระภาคเจ้ายกวิโมกเข้าไว้ในขณะแห่งอริยมรรคโดยเกี่ยวกับการที่วิปัสสนานั้นเป็นเหตุมาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสวิโมกไว้ในคำพีรธรรมสังคีนีแค่สองอย่างคืออปปนิหิตาวิโมกกับสุญญตาวิโมกเพราะอะไรเพราะว่าวิปัสสนาทั้งหลายยังไงก็ต้องยังมีสังขารมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอารมณ์ไม่ได้พ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอารมณ์เลยเพราะฉะนั้นก็ สรุปช่วงเช้านี้ก็คือการใส่ใจอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ถูกต้องต้องกลัววัตะใช่ไหมอนิจจังกลัวอะไรกลัวนิมิตทุกขังกลัวปวัตะอนัตตากลัวนิมิตและปะวัตะโหเปิดใจําแม่นเลครนี่ทวงข้างเดียวจําได้เลยก็ได้นะวิธีนี้ใช้ดีเหมือนกันนะอยากให้ใครจำมาไปเที่ยวถามๆกันหน่อยนะแล้วขูสักนิดเดียวเด๋ยวก็จำได้หมดแล้วถ้า ถ้าอานิจจังถ้าเจริญอา น, นิจจงมากๆด้วยอะไรอะไรอธิมโมกอธิโมกคือศรัทธานอะอธิมโมก ค, คือสัตทินรีปัสสัต t h คือสมาทินสีแล้วก็เวสคือปัญญรีถ้าอานิจจงดีสัสตทินรียจะดีถ้าสัตทินรีดีก็บรรลุอา น, นิมิตตวิโมกถ้าทุกขังทุกขานุปัสสนาดีจะมากด้วยสมาธิสมาทินรีปัสสัต t h เนี่ยนะอริยามรรคเรียกว่า อริหิตาวิโมกข์ถ้าอนัตตานุปัสนาสายใจโดยความเป็นอนัตตามากด้วยเวทเวทคือปัญญิีสีบรรลุอริยมรรคเรียกว่าสุญญ า, าวิโมกสรุปว่าพุทธพจน์ที่บอกว่า